บทที่161อีก9คนปรากฏร่างไตาทางชันขึ้นมาเป็นขบวนพร้อมเสียงพูดกันอยู่เอกอ่ะน้ำเสียงที่พูดกันนั้นแสดงถึงความตื่นเต้นยินดีฟังได้ชัดเพราะคนเหล่านั้นคงจะได้ทราบจากคำบอกเล่าของบุญคำและขยินก่อนแล้วประกอบกับที่พอเดินขึ้นสู่เนินสูงลูกนี้ก็จะต้องมองเห็นที่หมายยอดเขาอันเป็นรูปน no กอินทรีกาลังผ ง, งาดปีกได้อย่างถนัดชัดเจน พอขึ้นถึงไหล่ตะพักตรงบริเวณที่ระพินและดารินยืนรอยอยู่ก่อนเชตหาชายันและมาเรียก็วิ่งกรูเข้ามาโดยเร็วมาเรียนนั้นความดีใจถึงกับโดดเข้ากอดเพื่อนสาวไว้แน่นโดยไม่ฉเฉลียวคิดเพื่อสังเกตเห็นว่าขณะนั้นดารินมีสีหน้าอาการอย่างไดน้อยเธอมาเฝ้ามองอยู่นานแล้วเหรอภูเขารูปนอกอินทรีตามที่ลายไทยระบุนั่นน่ะแม่สาวพูดอย่างร่าเริงดารินไม่ตอบ เพียงแต่ฝืนยิ้มให้เฉษฐากับชยันก็หัวเราะร่ากราดเข้ามาที่พรานใหญ่ผู้ยืนสงบอยู่พวกพรานพื้นเมืองที่แบกหามมาเป็นคู่กู่ก็ปรงสัมภาระลงจากไกลชั่วคราวทากันมายืนเรียงรายจ้องดูภาพที่เห็นนั้นแล้ววิจารณ์กันแซะไปยังไงไม่ยังไงกันนี่ผู้กองเราไม่ลึกเลยนะว่าเราจะเห็นภูเขาข้างหน้านั้นมีสันฐานรูปนกอินทรีือพยาครุดชัดเจนอย่างนี้เมื่อขึ้นมายืนอยู่บนนี้ความจริงเราก็เข้าถูกที่หมายแล้วนะ เพียงแต่ครั้งแรกเลือกชัยภูมิสังเกตผิดไปหน่อยเดียวเท่านั้นเชษถาพูดปนหัวเราะอย่างดีใจกับเขากิริยาของท่านหัวหน้าคณะตื่นเต้นปิติใจแลเห็นชัดพวกนั้นกลับไปบอกคุณชายยังไงล่ะครับเขาย้อนถามแปลผ่านไปยังแง่ทรา ย, ซ, ายซึ่งยืนนิ่งหน้าตายอยู่สังเกตดูอีกสามคนของฝ่ายนายจ้างไม่ได้ระแค่ระคายความในอะไรทั้งสิน้นชา ย, ยันเป็นคนบอกว่า คุณคำไปบอกว่าคุณกับพวกแกตามมาพบแงซรายข้าบนนี้และมองเห็นถือเขาข้างหน้าน่นเป็นรูปตัวนกอินทรีพอดีคุณเลยใช่ให้กลับไปตามพวกเราขึ้นมาพอก้าวขึ้นส่วนสูงของเนินลูกนี้พ้นบริเวณป่าสนบังเราก็มองเห็นสันฐานอย่างว่าในชัดเจนทีเดียวน่นยังไงเชิงเขาเกิดมาที่ผมตั้งข้อสังเกตไวก็ปรากฏอยู่ที่นั่นด้วยชัดเลยตรงเป๊ะ ใช่ที่หมายตามลายแทงแน่นอนนะครับแงใส่ยสำรวจมาพบเข้าทางด้านนี้กำลังจะกลับไปตามพวกเรามาผมตามมาถึงข่าวพอดีเห็นว่าไหนๆพวกเราทั้งหมดก็ต้องมาเริ่มต้นที่นี่กันอยู่แล้วเลยไม่ต้องย้อนลงไปอีกให้สามคนนั่นไปตามพวกเราขึ้นมาความจริงผมไม่รังเกียจที่จะเดินกลับลงไปบอกข่าวด้วยนะครับแต่คุณหญิงไม่อยากเดินย้อนผมก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนที่นี่พี่ชายหันไปมองหน้าน้องสาวอย่างไม่ได้คิดอะไรมากนะัก เพราะความยินดีต่อเป้าหมายที่ค้นพบดารินก็รับว่าค่ะน้อยไม่อยากเดินย้อนลงไปเองแหละครับพี่ใหญ่เลยรอยอยู่บนนี้เป็นนั้นว่าเราพบภูเขารูปครุฑ ต, ตามพี่ลายแทงกำหนดไว้แล้วโดยไม่ผิดพลาดเลยโชคดีเหลือเกินที่ไม่เคลื่อนย้ายกันไปที่อื่นซะก่อนไม่งั้นเสียเวลาแย่เชฐาชายันและมาเรียหันไปจ้องภาพภูเขาลูกนั้นเขมงอีกครั้งชยันแยกขี้ยวออกมา ขณะที่ยกมือขึ้นลูกแขนพึมพำว่าโอ้โหขนลุกเกลียวเลยของจริงทั้งนั้นตามที่ลายแทงบอกไว้ไม่น่าเชื่อเลยว่าถ้กเขาข้างหน้านนตรงยอดนั่นมันจะมีลักษณะเป็นรูปนกอินทรีไปได้ยังไงขณะที่เราดูดูกันอยู่ข้างล่างพอขึ้นบนนี้ถึงจะเห็นแบบนี้ก็สบายแล้วไงซรายเชดาเรียกยิ้มย่องผ่องใส เอาลายแทงออกมาไปให้เราฟังชัดๆสักครั้งสิเขาว่ายัางไงจอมพนเจนจรเหลือบตามาสบพรานใหญ่นิดนึงแล้วล้วงเอาแผนที่ลายแทงต้นฉบับออกมาคลี่ท่ามกลางการมุงรายล้อมของทุกคนของฝ่ายนายจ้างนอกจากรพินไพรวันเท่านั้นที่ยืนสูบบุหรี่ใบตองแห้งอยู่เงียบๆห่างวงนั้นออกมาเมื่อท่านบรรลุถึงหลุมอุกาบาทหลุมที่สาม เสียงห้าวกังวานลึกของแงซรายดังแช่มชาขึ้นท่ามกลางความเงียบหันหน้าเข้าหาทิวเขาอันยาวเหยียดที่ขวางกั้นอยู่ทางทิศเหนือจะแลเห็นเป็นรูปพญาครุดกลางปีกพงาดอยู่ปลายปีกซ้ายทอดลงสู่ด้านใตน้ปลายปีกขวาทอดไปสู่ด้านเหนือจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกมีลักษณะการประหนึ่งจะไสขนปีกนะักหลุมอุกาบาต ตำแหน่งที่ท่านพินิษเห็นภาพดังนี้แลจงบ่ายหน้าไปตามปลายจา ง, งอนปากครุฑที่ชี้บอกทางเป็นเส้นตรงมากว่าหันหลังกลับมาครั้งใดยังเห็นสันเขาด้านหลังเป็นรูปพญาครุฑอยู่เช่นนั้นเส้นทางที่ท่านเดินถูกต้องแล้วมากว่าสันเขาแปลเปลี่ยนรูปผิดไปจงหาเส้นทางที่ถูกต้องใหม่เหลียวกลับมาครั้งใด เห็นพยาครุษภายในสามวันท่านจะบรรลุถึงเนินพระจันทร์ผิดจากกำหนดบ่งรหัสนี้แล้วไซตลอดทั้งชีวิตท่านจะไม่มีวันบรรลุถึงได้เลยเชตาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดส่งยิ้มอย่างเต็มไปด้วยความหวังไปยังทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้กระพินไงไซอ่านลายแทงในส่วนที่คุณอ่านไม่ออกนั้นได้อย่างถูกต้อง ตรงกับภูมิประเทศแท้จริงที่เราเห็นอยู่ขณะ น, นี้ทุกอย่างแล้วเราเรอคอยดูผลกันว่าเมื่อมาถึงหลุมกาบาทที่สามเราจะเห็นภาพอย่างที่แง่ทรายบอกจริงหรือไม่ซึ่งในที่สุดก็ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนไปสักอย่างเดียวจอมพรานก้มศีรษะครับโชคดีมากครับที่คุณชายเป็นคนตัดสินใจเลือกให้แง่ทรายเดินทางมาด้วยในครั้งนี้เพราะพิสูจน์ชัดออกแล้วว่า เขาอ่านลายแทงโบราณนั่นได้ดีกว่าผมถ้าปราศจากแงซายลำพังผมเองคงจะคว่ยเขวผิดพลาดไปหมดโดยเฉพาะเส้นทางช่วงปลายนี้อันเนื่องมาจากเจ้าพม่าขี้เมาคนแปลข้อความให้ผมมันแปลมาให้ผิดผิดถูกถู ก, ถกอย่างที่เรียนแล้วสายตาของคณะนายจ้างทุกคนแลไปยังจอมพเนจรผู้ลึกลับอย่างชื่นชมใช้ยันใช้กล้องสองทางไกล สองดูไปยังภาพของภูเขารูปครุฑนั้นแต่แล้วก็พบกับความประหลาดใจอยู่ครามครันภาพจากเล่นย่นระยะมองเห็นแต่ก้อนหินและพืชพันธุ์บางชนิดที่ขึ้นปกคลุมอยู่ประปรายอันเป็นภาพของลักษณะภูมิประเทศอย่างแท้จริงปราจะจากสิ่งลวงตาใดๆทั้งสิ้นจะมองยังไงมันก็ไม่สามารถกำหนดสันฐานเป็นรูปนกอินทรีหรือแม้แต่จ ะ, ะไม้สักนิดเดียว แต่พอลดกล้องมองในลักษณะมือออกไปด้วยตาเปล่าข้าวโครงตามที่ระบุไว้ในลายแทงก็ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นและจะยิ่งชัดเจนเหมือนมีชีวิตจิตใจขึ้นอย่างแท้จริงหากปล่อยอารมณ์ทอดสายตาไปโดยไม่พยายามเพ่งความรู้สึกเช่นนี้ตรงกันหมดทุกคนอย่างประหลาดล้ำแปลกเหลือเกินอดีตนายทหารปืนใหญ่พึมพำออกมาเบาๆ มันน่าจะเป็นสิ่งอาถรรพ์คล้ายถูกบันดาลด้วยอำนาจลึกลับอะไรสักอย่างนึง่งสำหรับภาพตัวครุฑที่เราเห็นกันอยู่นี้เพราะถ้าจ้องกันอย่างเอาจริงเอาจางังภาพมันก็จะเปลี่ยนไปมองไม่เห็นลักษณะว่ามันจะเป็นตัวครุฑได้ยังไงต้องมองด้วยสายตาทอดไปเรื่อยๆเหมือนมองก้อนเมฆบนท้องฟ้าจึงจะเห็นยิ่งสองกล้องยิ่งไม่รู้เรื่องเลยก็แบบนี้ยังไงล่ะที่เราไม่สามารถจะสํารวจเส้นทางจากภูมิศาสตร์สากลได้ ถ้าใช้เครื่องบินหรือคอปเตอร์เราจะไม่เห็นจุดหมายอย่างที่ระบุไว้ในลายแทงนี่เลยผู้เขียนลายแทงบอกทางให้แกเราเห็นหรือมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับตัวเองยังไงเขาก็เขียนไว้เช่นนั้นเราจะมองเห็นรู้สึกได้อย่างเดียวกับเขาเราก็ต้องเดินตามรอยของเขาเท่านั้นและนี่จะเริ่มต้นกันต่อไปยังไงเนี่ยจะงอยปากครุตตามที่ลายแทงระบุก็ชี้ตะวัดขึ้นไปทางด้านโน้นนั่แหละ ถ้าจะถามฉันฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเราจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนกันแน่ชยันพูดอย่างหนักใจคนที่จะวินิจฉัยได้ดีที่สุดในขณะ น, นี้ก็มีอยู่แค่สองคนเท่านั้นแหละระพินกับแงทรายพวกเราทั้งหมดมนําเพียงแค่รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเดียวท่านหัวหน้าคณะว่ามองดูหน้าพรานใหญ่ผู้เงียบสงบอยู่เราเหลือเวลาอีกกี่วันแล้วครับคุณชัยยันเขากล่าวขึ้นเป็นประโยคแรก ของการนิ่งขบคิดอยู่เป็นเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องคิดในสีเวลาชายันสามารถตอบได้ทันทีจากการตรวจสอบนับวันเวลาอยู่ทุกระยะวันนี้คือวันศุกร์ที่30ตุลาคมขึ้น1่คำวันขึ้นหําค่ำเดือนพฤ ศ, ศจิกายนก็จะตรงกับวันอังคารที่3นับจากนี้ไปก็เหลืออยู่อีก4วันครึ่ง ท้างั้นเราก็มีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกถึงวันครึ่งในกำหนดนี้จัดว่าจวนเจียร์บุดวิดที่สุดแต่ผมมั่นใจนะครับว่าคงไม่พลาดแน่สำหรับเป้าหมายเนินพระจันทร์ที่ลายแทงระบุไว้ว่าใช้เวลาเดินเพียงสามวันส่วนจะหาทางขึ้นเทือกพระศิวะสำเร็จหรือไม่น่ะเป็นอีกปัญหาหนึ่งโปรดนั่งพักสักสิบนาทีนะครับขอเวลาให้ผมหาเรืออะไรกัแงะทายหน่อยอตามสบายผู้กอง เชิาพยักหน้าอนุญาตโดยดีและชักชวนพักพวกของเขานั่งลงกระพินกระดิกนิ้วเรียกแงซสายให้เดินตามเขาปละห่างจากคณะทุกคนออกไปพบกันตามลำพังตรงบริเวณใต้ร่มเงาหินต่างมองตากันนิ่งไปชั่วขณะแง่าสายเรากำลังจะเข้าถึงด่านสุดท้ายแล้วนะและระยะเวลาก็เหลือจำกัดอยู่เพียงแค่สี่วันครึ่งเท่านั้นเขาพูดแผ่วต่า สายตาไม่เปลี่ยนไปจากใบหน้าฝ่ายตรงข้ามเรามาตกลงกันซะเดี๋ยวนี้ให้แน่ชัดออกไปแล้วกันเพราะฉันเบื่อที่จะคอยจับไหวจับพริบอะไรก็อยู่อีกแล้วนะผู้กองจะตกลงอะไรครับระยะทางจากนี้ไปจนถึงเนินพระจันทร์ให้ขึ้นอยู่กับการนําของแกโดยอิสระฉันจะเป็นแต่เพียงผู้ตามเท่านั้นแง่ทายมีอาการชะงักงนันเหมือนจะคาดคิดไม่ถึงมาก่อนในคําพูดของเขา พยายามจะมองอ่านสายตาของรพินบ้างแล้วถอนใจลึกพลางสายหน้าแช่มช้าผู้กองครับผมไม่ได้ปฏิเสธหน้าที่นี้เพื่อหวังจะเกี่ยงงอนอะไรผู้กองเลยนะครับแล้วผู้กองก็ย่อมรู้แน่แก่ใจอยู่แล้วว่าผมปรารถนาที่จะไปให้ถึงที่นั่นยิ่งกว่าใครทั้งสิน้นแต่ขอยืนยันอีกครั้งครับว่าผมไม่แน่ใจในตัวเองเว้นแต่จะมีผู้กองช่วยเท่านั้น ทำไมล่ะครับทำไมผู้กองจึงจะผลักหน้าที่นี้มาให้ผมคนเดียวโดยแสดงออกด้วยคําพูดว่าจะไม่รับผิดชอบอะไรอีกทั้งสิน้นจอมพรานยิ้มแค่นแค่ใช่สิระหว่างแกกับฉันะฉันไม่จําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องนี้เราจะไปถึงกันหรือไม่ถึงฉันไม่เดือดร้อนหน้าที่ของฉันเมื่อเขาจ้างไม่ฉันนําฉันก็นําจะสําเร็จหรือไม่อ่เป็นอีกเรื่องหนึง แต่ตัวแกเองจะต้องไปให้ถึงให้ได้ก็เมื่อแกเดือดร้อนมากกว่าฉันในเรื่องนี้แกก็ควรจะต้องรับหน้าที่เป็นคนเดียวเพราะฉันไม่แคร์อย่างที่บอกแล้วไงอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอาความไม่รู้ของฉันมาเป็นเครื่องมือให้แกคอยยิ้มเยาะอยู่ในใจหรือเมื่อแกรู้ดีกว่าฉันอยู่ทุกอย่างแล้วในเส้นทางช่วงสุดท้ายนี่เรื่องของเรื่องก็คือผู้กองเคืองผม ที่แอบขึ้นมาเฝ้าสังเกตภูเขารูปครุฑที่นี่ตามลําพังโดยไม่บอกให้ผู้กองทราบซะก่อนใช่ไหมครับเปล่าฉันไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันทั้งสิ้นในเรื่องนี้ขนาดนายหญิงเกิดชังที่หน้าแกขึ้นมาฉันก็ยังป้องกันแกไว้อย่างที่เห็นแล้วฉันเพียงแต่รู้ว่าคนที่รู้เส้นทางดีที่สุดนะ่ะแท้ที่จริงคือแกไม่ใช่ฉันเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะต้องมาเสียหัวเสียเวลาคิดอีกแล้ว เอาเป็นว่าแกนั่นแหละนำไปตลอดไม่ต้องมัดปรึกษาหาเรืออะไรเพื่อหลออดูภูมิปัญญาของฉันอีกแล้วแกจะนำไปให้ถึงหรือจะแกล้งทวงเวลาถลายกนอกเส้นทางยังไงก็สุดแล้วแต่แกดิผู้ ก, กองเล่นไม้ตายกับผมอย่างนี้เช่เหรอครับฮึมก็ไม่ใช่ไม้ตายด้วยบีบบังคับอะไรกันสักอย่างเดียวเพียงแต่ว่าฉันไม่ยอมให้แกลักไก่เพื่อลอกดูเชิงฉันอีกต่อไปแล้วเท่านั้น ก็ขอบอกให้รู้ฉันด้วยนะว่าถ้าแกยังขืนทําเป็นอมตถยอยู่แล้วก็ฉันเองนี่แหละจะแกล้งนําคณะพวกเราทั้งหมดให้เปิดเปิงผิดเส้นทางออกไปโดยไม่สนใจว่าจะถึงที่หมายหรือไม่ซึ่งแกก็ต้องเดือดร้อนกว่าใครแก จ, จะกล้าเสี่ยงไหมละ่ะสําหรับแกเองซึ่งรู้เส้นทางดีที่สุดแล้วแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้เพื่ออยากจะดูท่าทีของฉันมองเห็นความยากลําบากทั้งหลายแหล่ของฉันเป็นเรื่องสนุกขบขัน ที่จะแอบยิ้มยอออยู่ในใจกับฝ่ายฉันซึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วก็นำส่งเดชไปตามเรื่องโดยไม่คำนึงถึงว่าจะถึงที่หมายหรือไม่แล้วผลสุดท้ายความเสียหายมันจะอยู่กับใครผู้กองครับทั้งหลายแหละที่ผู้กองพูดออกมานี่ก็มีความหมายตามความรู้สึกของผู้กองประการเดียวคือแน่ใจว่าผมรู้แล้วก็แกล้งปิดเพื่อปล่อยผู้กองยากลาบาก ใช่ผมไม่ได้สาบานกับผู้กองไว้ก่อนแล้วหรอครับว่าผมไม่มีอะไรจะต้องปิดบังผู้กองอีกทั้งสิน้นแม้กระทั่งความจริงที่ว่าผมคือใครมีความเป็นมาอย่างไงเสียงของแงชเสียงของแงซทรายเน้นลึกชัดเจนรับพินิจไหละฉันไม่เคยสนใจหรือศรัทธาต่อคำสาบานของคนที่ชื่อแงซทราย สัญชาติเสือร้ายมันก็ต้องซ่อนเขี้ยวซ่อนเล็บของมันไม่มิดชิดเสมอฉันเชื่อว่าแกไม่มีแผนอะไรที่จะทระยศต่อฉันหรือพวกเราทุกคนแต่สันดานของแกมันชอบลองเชิงคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเท่าทันทัดเทียมแกทุกอย่างมันแก้ไม่หายหรอกเงยสายถอนใจอีกครั้งสีหน้าเริ่มกังวลหนักใจสายตาที่แลมายังเขาเต็มไปด้วยประกายวิงวอน ผู้กองครับผู้กองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับแต่ผมขอพูดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้นครับว่ามาผมนำทางคนเดียวโดยอิสระไม่ได้ครับเพราะผมไม่แน่ใจที่ผู้กองคิดว่าผมรู้เส้นทางโดยตลอดนะ่ะไม่จริงครับถ้าผู้กองปล่อยผมคนเดียวผมอาจนำไปถึงหรือไม่ถึงก็ได้ทั้งสองอย่างครับ ท, ทั้งที่ผมก็ต้องการจะทำให้สําเร็จแต่ถ้าผู้กองตัดอคติออกไปซะแล้วเรามาช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณามันจะต้องสําเร็จเพราะฉะนั้นโปรดะครับผู้กองโปรดอย่าทอดทิ้งผมชะผมเชื่อว่าผู้กองไม่แคร์หรอกในการที่จะเดินทางไปถึงหรือไม่แต่ผมแคร์ครับผมแคร์มากที่สุดอย่างที่ผู้กองก็รู้อยู่แล้วอะครับ เสียงพูดนั้นหนักแน่นกอบไปด้วยความสุจริตใจจริงซึ่งพอจะฟังออกระพินไพยวันช่างใจเสียงแงสายกล่าวต่อมาว่าความจริงผู้กองก็อ่านผมได้ปลุกปรงหมดทุกอย่างแล้วในกรณีที่ผมแยกตัวจากคณะทั้งหมดออกค้นหาลูกทางที่จะมองเป้าหมายภูเขารูปครุฑให้ได้ผมรู้ว่าตาแหน่งที่เราหยุดพักกันอยู่นะ่ะมันอาจมีมุมอะไรที่ลับสายตา ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพตามลายแทงได้ครั้นแต่จะบอกแกคณะเจ้านายก็จะเกิดปัญหาขึ้นก็าอาจเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้ผมก็เลยต้องใช้วิธีหลบมาก่อนเป็นการประวิงถ่วงเวลาไว้เมื่อเกิดการถกเถียงกันว่าที่นี่มันจะเป็นหลุมุคาบาต ท, ที่สามจริงหรือไม่เพราะลักษณะที่เห็นอยู่น่ะมันไม่ได้บอกเลยผมเองก็เริ่มร้อนใจและลังเลอยู่เหมือนกัน ก็เลยจำเป็นที่ต้องออกสำรวจบริเวณโดยรอบต่อไปเพื่อหาความแน่ใจให้ได้ในที่สุดผมก็เดนินขึ้นมาบนนี้และค้นพบตำแหน่งเขารูปครุดเข้าโดยบังเอิญไม่ใช่จากการรู้อยู่ก่อนแล้วแต่เก็บอมไว้ถ้าผมรู้อยู่ก่อนแล้วผมจะปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่าไปทำไมล่ะครับในระหว่างที่พวกเราทั้งหมดนั่งรอคอยอยู่ข้างล่างนั่นอีกอย่างหนึง่งตาแหน่งที่เราพักอยู่ข้างล่างนัน ก็เป็นตำแหน่งที่ผมนำทุกคนไปพักอยู่เองความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าผมนำเข้าไปถูกตำแหน่งโดยกว้างๆแล้วแต่ไม่ถูกกัะที่หมายแท้จริงจึงทำให้มองไม่เห็นหน้าที่ผมก็คือต้องสำรวจต่อไปแต่การที่จะบอกคณะนายจ้างทุกคนว่าผมจะออกไปตรวจหาบริเวณซึ่งอาจมองเห็นภาพเขารูปครุดนั้นให้ได้จอมจะฟังไม่ขึ้นแน่ๆผมถึงต้องปลีกตัวไปโดยพละการในลักษณะแบบซ่อน แล้วเมื่อผมมาพบเข้าที่นี่ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะย้อนกลับลงไปรายงานให้พวกเราทั้งหมดทราบบังเอิญระหว่างที่นั่งพักเหนื่อยพิจารณาดูภาพนั้นอยู่ผู้กองกนาหญิงก็ตามขึ้นมาพบก็พอดีรูปการมันก็เลยดูเหมือนว่าเง่ท า, ายขึ้นมานั่งดูเป้าหมายอยู่เฉยๆเห็นแล้วก็ไม่ลงไปบอกใครแง่ท า, ายหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งในระหว่างที่ระพินขมวดคิ้วนิ่งสงบฟังแล้วจึงถามใหม่ว่า ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมผู้กองถึงต้องออกมาตามค้นหาผมด้วยผู้กองน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าผมไม่ได้ไปไหนไกลและถึงไม่ตามผมก็จะกลับไปเองความในทั้งหลายแหล่อันอาจทำให้ผู้กองเข้าใจผมผิดหาว่าผมเล่นเหลี่ยมอะไรมันก็อยู่ตรงที่ว่าบังเอิญผู้กองตามขึ้นมาพบผมขณะที่ผมนั่งดูเขารูปครุดอยู่ที่นี่นั่นเองถ้าผู้กองไม่ได้ขึ้นมาตามปล่อยผมกลับลงไป แล้วรายงานให้ทราบเองก็จะไม่มีเรื่องต้องคิดอะไรทั้งสิ้นภายหลังจากพิจารณาอย่างทีท้วนตามเหตุผลในคำพูดของแง่ทรายรับพินก็จำเป็นต้องยอมรับอืมเขาครางหนักๆในลำคอแล้วก็บอกตามตรงว่าฉันน่ะไม่ได้เจตต น, นาจะขึ้นมาตามแกเสียเวลาเดินของฉันรอกแต่นายหญิงน่ะสิเป็นห่วงแกมากเขี้ยวเข็นฉันให้ออกตาม ฉันขัดใจนายหญิงไม่ได้แงสายยิ้มง่ายๆริวรอยกังวลเริ่มจางลงนั่นก็แปลว่าผู้กองเข้าใจผมดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงจะต้องมาแขรงใจอะไรผมอีกละ่ะนี่แกคิดว่าแกจําเป็นที่ต้องมีชั้นเข้าไปร่วม ก, กํกห า, า, ห, กากนนกกหนดเส้นทางกับแกด้วยเหรอแงสายถามจริงเหแกคิดว่าแกจําเป็นที่จะต้องมีชั้นเข้าไปร่วมกําหนดเส้นทางกับแกด้วยอย่างนั้นเหรอ จำเป็นมากที่สุดครับเพราะผมไม่ได้มองเห็นอย่างปรุงโปร่งอย่างเช่นที่ผู้กองเข้าใจผู้กองมีความรู้สึกที่จะต้องคลาไปเช่นไรผมก็เช่นนั้นครับไม่ได้ผิดกันเลยถ้าผู้กองวางมือปล่อยผมคลาไปตามลพาพังเพราะความเข้าใจผิดนึกว่าผมรู้ดีแล้วเช่นนี้ผมก็บอกได้เลยครับว่าความหวังของผมหมดสิน้นมันไม่เฉพาะเส้นทางจากนี่ไปยังเนินพระจันทร์ให้ทันเวลาเท่านั้นนะครับ ปัญหาสําคัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการตัดทางขึ้นเทือกพระศิวะซึ่งผมก็ยังมืดมนไปหมดบางทีผมมืดผู้กองอาจสว่างและถ้าผู้กองมืดผมก็อาจเป็นฝ่ายสว่างบ้างและทําไมล่ะครับทําไมเราถึงไม่ช่วยกันระพินหัวเราะออกมาเบาๆฉันรู้มาตั้งนานแล้วแง่ทายว่าวาทศิลป์ของแกน่ะเป็นเลิศ สำหรับเส้นทางตั้งแต่ออกจากภูเขานี่หลักการเป็นต้นมาไปเห็นกันอยู่แล้วนิวฉันมืด อ, อยู่ตลอดเวลาแกแต่หากและที่สว่างแล้วเมื่อแกสว่างขึ้นครั้งใดฉันก็ขายหน้านายจ้างกันทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นฉันจึงคิดว่าแกควรจะเป็นผู้ที่สว่างให้ตลอดไปฉันยอมให้แกแล้วในเรื่องการนำทางตามแผนที่ลายแทงโบราณ น, นั่นไม่งั้นก็คงไม่ส่งลายแทงให้แกถือไว้หรอกผู้กองครับ มันไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปนะครับแงซายพูดอย่างอึดอัดใจหันมองไปยังทิวเขาเบื้องหน้าอีกครั้งขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ทั้งๆ ท, ที่เรามองเห็นทิวเขาข้างหน้าเป็นรูปตัวครุตตรงตามลายแทงอยู่นั่นผมก็รู้สึกว่าผมจะมืดเชล้ะผู้กองลองใช้ความพิจารณาอีกครั้งสิครับบางทีผู้กองอาจรู้ก็ได้ว่าผมมืดเรื่องอะไรจอมพรานกระตุกัวคิ้ว น้ำเสียงพูดของแง่รายจริงจังปราศจากแววเล่นลิ้นซึ่งคุณสมบัติแห่งความจริงจังชนิดนี้เขาเพิ่งจะมาสังเกตเห็นในระยะหลังๆนี่เองมองตามสายตาของเจ้าคนใช้พิเศษของคณะไปยังเป้าหมายเดียวกันด้วยอาการใคร่ครวญฉันอาจโง่กว่าแกก็ได้ว่าแง่สายไม่หรอกครับผู้กองผู้กองไม่ได้โง่กว่าผมหรอกแต่อาจไม่ทันสังเกตหรือมองข้ามไปซักก็ได้ความมืดของผมในเรื่องนี้แหละครับ ที่ผมจะต้องขอให้ผู้กองช่วยคิดแหละอะไรผู้กองลองดูที่ยอดเขาลูกนั้นประกอบกับคําบอกเล่าลายแทงด้วยปีกซ้ายตางแผ่ไปทางด้านใต้อืมแล้วไงปีกขวาทอดไปทางด้านเหนือแล้วด้านหน้าของตัวนกจะหันไปทางไหนล่ะครับก็แน่แล้ะสิหน้าของมันก็ต้องหันไปทางทิศตะวันออกไง หน้าของมันจะต้องหันไปทางทิศตะวันตกไนงะแต่ลายแทงบอกไว้ว่าจะ ง, งอยปากจะหันไปทางทิศตะวันออกคือด้านที่เรากำลังยืนมองอยู่นี่แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับถ้าเจ้าของลายแทงไม่ฟั่นเฟือนเขียนข้อความนี้ผิดชนิดเป็นตรงข้ามกระพินไพร์วันลืมตาพลุบัตรนี้เขาเพิ่งจะมองเห็นความจริงและนึกออกแล้วว่าแง่ทายกาลังงงงัน มีปัญหาอะไรอยู่ที่ยังขบไม่แตกครุดหรือนกอินทรีอันเป็นยอดเขาใหญ่ทั้งทิวลูกนั้นโดยมุมที่ทุกคนมองเห็นอยู่ในขณะ น, นี้มันเป็นรูปของตัวนกที่ยืนกลางปีกหันหลังให้หน้าของมันเป็นตะวันตกส่วนหลังคือตะวันออกคอและศีรษะนั้นจากมุมที่เห็นในขณะ น, นี้ดูคลุมเครือ ย, อยังไงชอบกด ยอมพรานยกมือขึ้นขยี้ตาพยายามหาสันฐานอยู่อีกหลายครั้งและบอกโดยเร็วว่าไหนอ่านลายแทงเฉพาะตรงที่พูดถึงจะ ง, งอยปากนกอีกครั้งสินะซ้ายจะ ง, งอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกมีลักษณะการประหนึ่งจะไซ้ขนปีกครับรพินพึมพพ ร, รมทวนคำไปทีหลักคำขณะที่รีตาลง จะมาจนปัญญาอยู่ตรงข้อความที่ดูจะค้านกับความจริงนี่นะเหรอครับผมนั่งคิดอยู่นานนะครับคิดก่อนที่ผู้กองจะขึ้นมาตามพบผมได้อีกตัวครุฑยืนหันหลังให้เราในขณะ น, นี้หน้ามันก็ควรจะต้องหันไปด้านตรงข้ามมันจะหันมาทางเราได้ยังไงเราเองอยู่ทางตะวันออกคือทางด้านหลังของตัวนกแล้วแกเห็นส่วนหัวหรือจงอยปากของมันแล้วเหรอยั ผู้กองนะครับมันคลุมเครือหรือเกินส่วนลำตัวส่วนปีกทั้งสองด้านและแม่กระทั้งขาที่ยืนอยู่นั้นพอจะกําหนดสันญานได้ละ่ะโปรดสังเกตดูที่ทิวสูงระดับยอดนะทางขวามือนั่นมันน่าจะโนุมานได้ว่าเป็นส่วนคอที่รุปต่ําลงแล้วหัวนกก็ควรจะหันไปฝากโน้นฝากตะวันตกข้ามทิวเขาไปโนน มันไม่หมายความว่าเราจะต้องข้ามเขาทั้งทิวไปทางฝั่งตะวันตกนั่นหรอซึ่งโดยทิศทางก็เป็นไปเป็นไปได้อยู่แล้วนานพระจันทร์อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาพระสิวะไม่ใช่ตะวันตกซึ่งกลายเป็นตรงข้ามยอมพรานอึ้งไปอีกครั้งความรู้สึกบอกกับตนเองในขณะนี้ได้ทันทีว่าทั้งเขาและแง่ทายเลยเห็นได้ตรงกันหมดทุกอย่าง คือเห็นตัวนกยืนพังงาดวาตไปทั้งตัวชัดเจนเป็นรูปร่างแต่ยังกำหนดไม่ได้แน่นอนว่าส่วนคอและหัวอยู่ไหนบริเวณของส่วนที่ฝ่ายนายจ้างเข้าใจว่าเป็นส่วนหัวหรือจงอยปากนั้นกลายเป็นทิวเขาห่างไกลออกไปด้านหลังซึ่งไม่น่าจะถือเป็นส่วนศรีรษะของภาพที่เห็นได้เลยตัวครุดน่ะเห็นแล้วแต่จะงอยปากของมันยังมองไม่เห็น และในเมื่อทำไม่เห็นกำหนดไม่ได้เช่นนี้การเดินทางในอันดับต่อไปจะเริ่มต้นจากอะไรที่ไหนก็แล้วเมื่อตัวนกยืนหันหลังให้ตะวันออกอยู่เช่นนี้ส่วนหัวหรือหน้าของมันก็น่าจะต้องหันไปทางตะวันตกจริงของแง่ายและมังมหานรทาเจ้าของลายแทงเขียนระบุว่ายังไงวะจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกหันกลับมาทางสายสึก เงยสายมองจับอยู่ที่เขาก่อนแล้วแง้าลายแทงฉบับนั้นออกมาดูอีกทีสิเขาสั่งเงยสายควักลายแทงต้นฉบับเดิมออกมาคลี่ทั้งสองสุดตัวลงกับพื้นระพินกลางแผ่ลายแทงออกตั้งทิศเทียบกับทิวปีกครุดเท่าที่แลเห็นจริงอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งตรวจไปยังตำแหน่งที่หมายเนินพระจันทร์ในแผนที่นี่ยังไง ลายแทงที่ยืนยันอยู่ชัดเจนว่าเนินพระจันทร์อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทิวปีครุฑเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะต้องข้ามทิวเขาเทือกนั้นลงไปทางตะวันตกพ่านใหญ่พึงนพังก็นั่นนะสิครับผู้กองและลายแทงฉบับเดียวกันก็บอกเร า, าให้สังเกตจากการชี้บอกของจะ ง, งอยปากนกซึ่งขณะนี้ เราก็มองไม่เห็นว่าส่วนจะงอยปากของมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวๆง่ยายขอยเรามาพิจารณากันถึงประโยคที่ว่าจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกมีลักษณะการประหนึ่งจะไซขนปีกนั่นด้วยแล้วมาคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่านกสามารถจะเอี้ยวคอกลับมาทางด้านหลังเพื่อไซหรือจิกขนของตัวเองได้บ้างไหม และอะไรที่ควรจะเป็นข้อคิดอันแฝงอยู่ในคำสั่งของลายแทงประโยคนั้นแง่าสายเงยหน้าจ้องเขาโดยเร็วแล้วมองผ่านไปยังเทือกเขาเบื้องหน้าอีกครั้งกล่าวช้าๆส่วนหน้าหันไปทางตะวันตกแต่เอ้่วคอกลับมาไซาปีกทางด้านหลังเอ่อก็อ น, น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ แต่เราก็ยังมองไม่เห็นภาพอย่างที่เราตั้งสมมติฐานกันนี่เลยนะครับแง่สา ย, สายบางทีเราอาจต้องหาชัยภูมิสำหรับสังเกตดูใหม่ก็ได้นะฉันคิดว่าขณะนี้เราอยู่บนที่สูงถ้าลงไปยังทุ่งราบต่ำข้างล่าง น, น้นทางด้านตะวันออกของเนินลูกนี้ภาพทิวเขาน่ น, นอาจเปลี่ยนไปอีกเอามาเรามาทดลองกันดูกล่าวจบ เขาก็ลุกขึ้นยืนโดยเร็วและโดยไม่บอกอะไรกับคณะนายจ้างของเขาทั้งสิ้นสำหรับสิ่งที่กำลังขบคิดอยู่กับแงซรายขณะนี้รพินให้สัญญาณเคลื่อนที่ทันทีทั้งหมดเคลื่อนปัดลงจากไหลสูงของเนินลูกนั้นโดยอ้อมลงไปสู่ที่ราบตำ่ำอันเป็นทุ่งหญ้าเบื้องล่างทางด้านตะวันออกไม่มีใครฉเฉลียวคิดถึงข้อกังขาคลางแคลงระหว่างพรานใหญ่กับแงซาย ซึ่งปรึกษาหารือกันเมื่อครู่นี้เลยเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกเดินทางต่างก็ปฏิบัติตามทันทีโดยฝากความไว้วางใจให้ทั้งหมดและไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงทั้งหมดก็ลงมาเดินกันอยู่ยังบริเวณทุ่งหญ้าห่างไกลาจากป่าสนออกมาสามารถแลเหินไปยังทิวปีกครุฑได้อย่างถนัดโดยไม่มีอะไรบดบงังหนะัแหน่งนี้เอง แง่ทรายผู้แบกของอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักลงอีกครั้งเป็นเวลาเดียวกับที่รพินสาวเท้าขึ้นมาทันเห็นชัดหรื อ, อยังแง่ทร า, ายไอ้ครุตัวนั้นเอี้ยวคอหันกลับมาทางด้านตะวันออกจริงตามที่เจ้าของลายแทงเขาบอกไว้เมื่อเราลงมาเดินอยู่ในที่โล่งข้างล่างนี่จอมพรานพูดยิ้มยิ้มในขณะที่แง่ทรายเบิกตามองเขาอย่างตะลึงแล้วเห็นชัดหรื อ, อยังว่ายามใดก็ตาม ที่แง่ายมืดผู้กองก็จะเป็นความสว่างอย่างนี้แลวผู้กองยังคิดที่จะปล่อยแง่ายตามยถากรรมโดยไม่คิดจะช่วยทีเดียวหรือครับรพินตกไปรอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นหนักหนวงบอกเรียบๆว่าตลอดเวลาฉันว่าแกมีเหลี่ยมเล่เพทุบายสารพัดแล้วก็คอยระวังตัวเองแก จ, จนกลายเป็นรู ป, ประสาทแต่ความจริงน่ฉันอาจจะเป็นคนขี้หวาดระแวงเกินไปก็ได้ เอาเถอะแกไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทอดทิ้งกันหรอกสิ้นประโยคเขาก็หันกลับมาทางคณะนายจ้างซึ่งเดินเข้าแถวตามกันมาพร้อมกับขบวนลูกหาบอีกสองคู่บกมือเป็นสัญญาณให้หยุดลงอีกครั้งแล้วชี้ให้ทุกคนเลียวกลับไปดูด้านหลังสี่คนที่เดินกันมาเป็นหมู่โดยไม่ได้มีความไหวระแวงคิดถึงข้อกังขาใดาๆหรยวมองตามการชี้ของพรานใหญ่อย่างไม่เข้าใจความหมายอะไรทั้งสิ้น แต่ภายหลังเมื่อพิจรารณากันอยู่ครู่หนึ่งก็พอจะมองเห็นอะไรเราเราด้วยความประหลาดใจเอ้พี่ลึกอยู่นะผู้กองเขารูปนกนะ่ะดูจะเปลี่ยนรูปร่างไปจากที่เรามองเห็นบนเนินนั่นเสียแล้วนะเฉิดทะเอ่ยออกมาเบาๆอย่างชงนสนเทมันเป็นรูปนกอินทรีที่เอี้ยวคอหันกลับมาข้างหลังนี่ชยันพูดด้วยน้ําเสียงตืง่นตื่น ดารินกมารียก็หันไปซุบซิบอะไรกันอยู่ด้วยกิริยางุนงงครับครุฑหรือนกอินทรีตามที่ระบุไว้ในลายแทงมันกลายเป็นภาพของนกที่ตางปีกหันหลังให้กับเราแต่เอี้ยวคอหันจะงอยปากกลับมาเหมือนจะไใส้ขนตรงปลายปากส่วนแหลมที่เห็นอยู่นั่นคือที่หมายในการสังเกตบอกทางเราเห็นจะต้องช่วยกันคิดให้รอบคอบใช่แล้วละครับเกี่ยวกับการชี้บอกทางของจังอยปากนั่น คือลายแทงกำหนดว่าเราจะต้องเดินไปในแนวทางซึ่งสามารถหันกลับมาครั้งใดต้องมองเห็นภาพตัวนกในลักษณะเช่นนี้ตลอดไปผมคิดว่ามันไม่ง่ายนักที่เราจะทำได้ตามคำสั่งนั้นทุกท่านรู้สึกตามที่ผมพูดใช่ไหมครับทั้งสี่คนมองหน้าเขาอย่างงงงงอยู่เช่นเดิมในคุณลองอธิบายตามความเข้าใจของคุณให้ชัดซิผู้กองทางฝ่ายเราในยอมรับ ว่าแม้จะเห็นภาพผิวเขาโนนเป็นตัวครุดตามคําบอกของลายแทงแล้วเราก็ยังไม่สามารถจะตัดสินได้ถูกอยู่นั่นเองว่าควรจะเดินไปในแนวทางไหนรู้สึกว่าคําสั่งของลายแทงนะ่ะเป็นรูปปริศนามากกว่าที่จะชี้เส้นทางกันอย่างวิธีบอกชี้บอกของแผนที่ภูมิศาสตร์ระพินเรียกแผนที่ลายแทงมาจากแง่ทรายต่างแผ่ออกไปต่อหน้าคณะนายจ้างของเขาทุกคน นี่นะครับขณะนี้เราอยู่ตรงบริเวณทุ่งราบด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขารูปนกอินทรีนั่นประมาณ30ดีกรีมองเห็นภาพอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับท่านใหญ่จุดปากกาหมึกแห้งลงไปในแผนที่ลายแทงนั้นคำพูดของเขาเจตนาจะมีต่อเชษฐาและชยันโดยเฉพาะในเชิงหารือเพราะทั้งสองย่อมจะมีความรู้ในเรื่องแผนที่และเข็มทิศมากกว่าอีกสองหญิงลองช่วยกันคิดดูสิครับว่า เราจะรักษาเส้นทางเดินไว้ยังไงจึงจะมองเห็นเขานกอินทรีนั่นโดยไม่เปลี่ยนรูปไปเชษดฐาขขมวดคิ้วซอยเปลือกตาทีๆอย่างใช้ความคิดหนักส่วนช้ยยันเอามือรูปคางและบอกว่าอืมถ้าจะพูดกันตามหลักวิชาของแผนที่และทิศทางอะนะเราก็ควรจะขีดเส้นทางเดินสามสิบดี g r e ตะวันออกเฉียงเหนือนี่ตลอดไปไม่ใช่เหรอ อดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะสันศีสักอย่างไม่เห็นด้วยการเขียนลายแทงของมังมหาราชาโดยเฉพาะการกําหนดเส้นระยะทางระยะนี้ไม่ได้กําหนดทิศ ท, ทางไว้ให้แน่นอนตายตัวลงไปแต่เอา ภ, ภูมิประเทศที่เห็นด้วยตาเปล่ามาเป็นเครื่องชี้บอกมากกว่าซึ่งมันกว้างขวางเป็นปัญหาที่จะต้องคิดมากเราจะเอาภูเขารูปนก กับตำแหน่งที่เรายืนมองเห็นภาพอยู่ในขณะ น, นี้มาขีดเป็นเส้นทางตายตัวลงในแผนที่ไม่ได้หรอกยิงอยู่โดยมุมสามสิดีกรีตะวันออกเฉียงเหนือนี่เราอาจเดินเป็นเส้นตรงไปได้สักสองสามชั่วโมงหรือมากกว่านั้นโดยที่หันกลับมายังมองเห็นตัวนกอยู่เหมือนเดิมแต่ชั่วโมงถัดๆไปน่นอีกละ่ะอะไรจะมาเป็นหลักประกันได้ว่าภาพตัวนกจะไม่เปลี่ยนรูปไปในกรณีที่ภูมิประเทศเบื้องหน้า สูงขึ้นหรือต่ําลงอันจะทําให้เกิดการบังเหลี่ยมมุมขึ้นในกรณีที่ยึดเส้นทางเดินโดยวางเข็มทิศขีดเส้นไว้คําสั่งในลายแทงก็บอกอยู่แล้วว่าหันกลับมาครั้งใดจะต้องมองเห็นภาพนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นย่อมหมายถึงว่าหนทางข้างหน้ามันดิ้นได้ตลอดเวลาหาเส้นตายตัวจากเข็มทิศไม่ได้เราอาจต้องเบี่ยงเบนไปในทิศทางใดก็ได้ทั้งสิ้น โดยในที่ว่าจะต้องหันกลับมามองเห็นภาพคงรูปไว้เช่นนี้ตลอดไปอย่างนั้นไม่ใช่หรอผู้กองประโยคหลังเชษฐทาหันไปยังหางเสียงมาคุเทสครับมันก็เป็นอย่างที่คุณชายพูดแหละครับเหตุ ก, การณ์มันบีบบังคับอยู่ในทีที่จะต้องให้เราปฏิบัติ ต, ตามคําสั่งของลายแทงคือเดินไปพลางก็ต้องมันหันกลับมาสังเกตเขาด้านหลังเราไวตลอดเวลา แต่ผมกลัวว่าเราจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตลอดไปสิครับทำไมเหรอผู้กองก็เกี่ยวกับทัศนวิสัยครับอะไรจะมาเป็นหลักประกันได้ล่ะครับว่าอากาศจะปลอดโปร่งแจ่มใสยอย่างในขณะนี้ทำให้เราสังเกตเห็นเขาลูกนั้นได้ตลอดเวลาถ้าเผือว่าเกิดหมอกลงเกิดพายุฝนเราจะสังเกตอะไรไม่ได้เลยนะครับนล้วไม่ต้องรอให้อากาศโปร่งซะก่อนเช่นนั้นเหรอ ระยะเวลาของเราก็เหลืออยู่จำกัดตายตัวเพียงสี่วันครึ่งเท่านั้นถ้าจะต้องมาเผชิญกับอุปสรรครอคอยให้อากาศแจ่มใสสังเกตเห็นภาพภูเขาด้านหลังเป็นรูปตัวนกคงที่อยู่ทุกระยะไปผมว่าเราจะไม่ทันเวลาแน่นอนเออนั่นสิแล้วจะทำยังไงอ่ะผมว่าเราเห็นจะต้องใช้วิธีขีดเส้นและเดินตามเข็มทิศอย่างคุณชยยันว่าให้ตายตัวลงไปซะแล้วลครับ ปัญหาจริงอยู่ที่ว่าเราจะขีดเส้นทางยังไงให้ถูกต้องเท่านั้นแต่มันคงไม่ใช่เส้นทางสายตรงดิ่งสามสิบดี gree ตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนนะครับการขีดหรือกำหนดเส้นไว้ก่อนนี้เราจะเก็บไว้ใช้ในขณะที่ทัศนวิสัยเลวลงด้วยถ้าอากาศโปร่งดีเหมือนขณะนี้เราก็ใช้วิธีมองดูภาพเขาด้านหลังด้วยตาเปล่าเป็นหลักใหญ่และเปรียบเทียบกับเส้นทางที่เราขีดไว้ทุกระยะ อืมรอบครอบดีมากว่าแต่คุณจะขีดเส้นอย่างว่านะี่ยังไงล่ะผมจะคิดไม่ออกครับก็คงจะต้องขอแรงสมองสติปัญญาของทุกท่านช่วยนะครับเงซทายล่ะมีความเห็นยังไงจอมพเนจรสั่นสีสะอย่างเงียบขึมแววกังวลสอให้เห็นชัดเป็นครั้งแรกเงาทายยังอับจนอยู่ครับนายใหญ่คำตอบชนิดนั้น ทำให้นายหญิงจ้องตาเขอมงอยังต้องการจะค้นหาความจริงแต่ก็ไม่พบพิรุธหรือเลขกนแอบแฝงอย่างใดนอกจากความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อ ย, ค, อยคิดใช้ความรอบคอบกันหน่อยชัยยันว่าพร้อมกับพิจารณาดูลายแทงอย่างทีถ้วนแล้วเงยหน้าขึ้นมองไปยังภูมิประเทศแท้จริงที่เห็นอยู่ในขณะนี้เปรียบเทียบต่างจมอยู่ในความเงียบงนัน ไปชั่วขณะดารินนั้นมองมือลงไปในลายแทงอย่างเลื่อนลอยหลอนมองไม่เห็นข้าวโครงอะไรที่ตนเองจะเข้าใจได้ทั้งสิ้นมาเรียเข้ามาเกาะหลังพยอดชายของหล่อนดูด้วยสายตานเนือยเหนื่อยรพินมวลบุหรี่ใบตองแห้งแหน่สายไม่มีอะไรนอกจากความเฉยเป็นปกติตามสภาพอันควรเป็นไปก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เชษฐาวราฤทธิ ท่านหัวหน้าคณะสังเกตเห็นแววงุนงงอัดอั้นตันใจจากเจ้าคนใช้ผู้อัจฉริยะของเขา่านพื้นเมืองทั้งนั้นก็ได้แต่นั่งกอดเขา่าชี้ชวนกันชมทุ่งชมเขาไปตามเรื่องปัญหาที่บุคคลชั้นสมองกำลังปะเชิญอยู่ในขณะนี้อยู่เหนือภาวะที่พวกนี้จะเข้าใจหรือร่วมลงความเห็นใดๆ ไ, ได้ทั้งสิ้นชัยยันวนปลายปากกาอยู่ตรงจุดเขารูปครุ ลากเส้นบางๆมายังตำแหน่งที่รพินกาเป็นเครื่องหมายไว้อันเป็นตำแหน่งที่ทุกคนหยุดอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวลากเป็นเส้นตรงไปยังตำแหน่งเนินพระจันทร์อันดูว่าไม่อยู่ห่างไกลกันเท่าไหร่นักในแผนที่ลายไทยพึ้นพำมเหมือนจะปลยกับตัวเองต่อมาว่าถ้าจะดูจากไอ้แผนหนังโบราณ น, นี่มันก็ของหมูหมูนะไม่น่าจะยากเย็นมีปัญหาอะไรสักนิดเดียว เส้นทางจากที่เราอยู่กันในขณะนี้ไปถึงเนินพระจันทร์ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนบางอยู่เลยมันตัดไปในบริเวณที่โล่งของราบต่ำและราบสูงสลับไปกระไหล่เขาบางส่วนเท่านั้นและเนินพระจันทร์ก็อยู่ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของทิวเขาข้างหน้าเรานแน่นอนในวงล้อมของหุบเขารอบด้านใช่ใชยัน ถ้าดูจากลายแทงก็ไม่น่ายากที่หมายก็เห็นอยู่ทนโท่นันแล้วแล้วก็เป็นที่หมายตำแหน่งสุดท้ายซะด้วยไม่ต้องทำไปสุดจุดนำทางอื่นใดอีกทั้งสิน้นแต่ว่าเราจะเดินกันอีกท่าไหนที่จะให้มองเห็นรูปครุดจากทิวนั่นทรงตัวอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งถึงเนินพระจันนี่สิสิ่งที่เรากำลังปวดหัวถ้ามีเวลาเหลือเฟือมากกว่านี้ค่อยๆเดินไปสังเกตไปมันก็ไม่เป็นไรหรอก แต่นี่เวลาจำกัดอย่างที่รู้อยู่แล้วกลางคืนเราก็เดินกันไม่ได้กลางวันกว่าหมอกจะจางก็ล่วงเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วอย่างพวกเมฆฝนนี่ะหละบทกบาลสหายของเขารับคำยกมือขึ้นเกาแกรกแกกแถวขมับแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มกับแม่ขวัญใจของเขาที่เอาสวงอกอันเบียดเบงวางทับอยู่บนไหลเขาด้วยอาการอันสนิทสนมโดยเปิดเผย เช่นคู่สามีพัญญามีไอเดียอะไรบ้างไหมเปเมมาเรียซึ่งต่อไปนี้คงมีชื่อสกุลว่าอันันไรแทนฮอฟบันจิมแคนแ่นตามบุคลิกของหลอนในยามที่ตีปัญหาไม่แตกท่านสุภาพบุรุษทั้งสี่ท่านฉันหมายถึงเจนตัลแมนแงซายนั่นด้วยก็ล้วนผ่านวิชาการทหารและวิชาแผนที่มาแล้วทั้งสิน้น ถ้าทั้งสีท่านยังอับจนปัญญาฉันก็เห็นจะไม่มีทางช่วยได้ในเรื่องนี้ทำไมไม่ถามถึงสภาพของดินหินหรือพืชพันธุ์ซึ่งบางทีจะช่วยได้มากกว่าล่ ะ, ะงั้นน้อยอะ่ะฉันก็จะให้คำตอบได้ดีที่สุดในเรื่องปวดหัวตัวรอ้อนเรื่องการแพทองนะหมอดารินพูดหน้าตาเฉยอืม ถ้าจะดูจากตำแหน่งที่ระพินจุดที่หมายเราอยู่ในขณะนี้น่ะพวกเราทั้งหมดก็น่าจะอยู่ในบริเวณเทือกเขาพระสิวะแล้วใช่ไหมเชษฐาถามขึ้นอย่างระมัดระวังใช่ครับเราเข้าสู่เทือกเขาพระสิวะแล้วล่ะส่วนแนวเขาที่มีส่วนหนึ่งเป็นตัวครุดหรือนกอินทรีข้างหน้าเรานี่คือทิวปีครุดซึ่งตอนที่เราอยู่ตรงทะเลสาบมรณะ และเห็นเป็นแนวเส้นเขียวๆอย่างที่ผมเคยเชี้ให้ดูครั้งนั้นนะครับเออไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะเพราะขณะนี้เราเหยียบเข้าเทือกเขาพระศิวะแล้วดารินพูดอย่างรำพึงพลังหันไปรอบๆทิศ ย, ย่างตื่นตาตื่นใจรักคนประวันพรั่นพึงเร้นลับหล่อนมีความรู้สึกเหมือนตนเองจะเปรียบได้กับทุลีละ อ, องอันกระเจายร่อยท่ามกลางขุนเขาระงานเงื้อมประดุดกำแพงกั้นขอบจั ก, กรวาลรอบตัว นายหญิงครับเราเข้าสู่บริเวณเทือกเขาประสิวะตั้งแต่บ่ายหน้าเข้าหาหลุมุกาบาต ท, ที่หนึ่งแล้วล่ะครับเสียงแผวต่ําของแง่ทรายบอกมาความเยียบเย็นอันลึกลับก้อแล่นเข้าจับกลางดวงใจของฝ่ายนายจ้างทุกคนอย่างบอกไม่ถูกเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนระหว่างที่ต่างยังนิ่งสงบใช้ความคิดกันอยู่ เชิดฐาล้วงกล้องส่องทางไกลขึ้นมาอีกครั้งส่องดูภูมิประเทศของเขาเบื้องหน้าเป็นเวลานานจึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าบางทีเราอาจต้องอาศัยหลักความจริงทางภูมิศาสตร์ที่เห็นอยู่นี่เป็นเครื่องช่วยเช่นแล้วละผิดจอมพรานเงยหน้าจากบุหรี่ใบตองแห้งที่ตะบอยมวนอย่างพิถีพิถันเกินความจาเป็นนอกจากจะฆ่าเวลาให้แกความคิดสมบุหรี่ตัวนั้นเข้าปากแต่ยังไม่จุด ตาสีเหล็กคู่นั้นสบสายตาท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นนายโดยตรงด้วยความรู้สึกอันศรัทธาเลื่อมใสที่มีอยู่เป็นเวลานานแล้วคุณชายพอจะมองเห็นทางบ้างแล้วกระมังครับก็ยังไม่แน่ใจนักนะต้องอาศัยความเห็นของพวกเราประกอบด้วยล่ะทุกคนฟังผมให้ดีนะและช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบด้วยใครมีความเห็นยังไงก็แย้งได้ทันทีนะ คือนงนี้รูปหัวนกอันมีจะ ง, งอยปากหันมาให้เห็นอยู่นี่แท้ที่จริงมันก็คือเหลี่ยมเขาหินอันโล้นเลี่ยนส่วนหนึ่งซึ่งยื่นโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศออกมาจากส่วนใหญ่ของยอดเขาใจกลางนั่นทุกคนก้มศีษะยอมรับชัยยันหัวเราะบอกว่ากำปั้นทุบตรงๆล ง, ง, งไปกลางดินดังบึกเลยชัยยันเออเถานี่ น, นีอย่าเพิ่ชักใบเรือเสียสิชยยัน ฟังต่อไปนะต่อไปนี้เราจะไม่เรียกให้เกิดความลึกลับยุ่งยากต่อไปแล้วว่าจะงอยปากครุดแต่เราจะเรียกตามความเป็นจริงว่าชะง่อนเขาที่ยื่นลำออกมานั่นอะต่อไปซิว่าไงไม่ว่าจะเดินไปทางด้านไหนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตรงข้ามกับทิวเขานี่เหลียวกลับมาครั้งใดเราจะต้องเห็นชะง่อนเขาที่ยื่นลำออกมานั่นทุกครั้งโดยไม่มีอะไรมาบางัง หรือทําให้เปลี่ยนรูปร่างไปอย่างที่เห็นอยู่เช่นขณะนี้ใช่ไหมโอเคเข้าแนวของทฤษ ฎ, ฎีเรขาคณิตแล้วทีนี้ยังไงต่อไปอเพื่อนผู้มีอารมณ์รื่นเรืองอยู่ตลอดเวลาของเขาเร่งเรามาแต่ผูดถูกแล้วยันเรากําลังจะเอาทฤษ ฎ, ฎีของเรขาคณิตเข้ามาตีปัญหานี้อยู่เชษฐาเน้นเสียงพูดอย่างหนักแน่นจริงจังในตาเป็นประกาย ฟังต่อไปนะคราวนี้อยากใจทุกคนมองไกลออกไปยังทิวเขาที่เป็นฉากกั้นอยู่ด้านหลังเขียวลิบลิบนวลถ้าไม่แน่ใจก็เอากล้องส่องดูให้เวลาดูกันให้ชัดเช่อ ก, ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกต่อไปรพินเริ่มชงโนและมีความรู้สึกสะกิดใจยังไงชอบกลในคำพูดของท่านหัวหน้าคณะแต่ยังตามความคิดอ่านไม่ทันเขาเป็นคนสุดท้ายของคณะ ที่ลวงกล้องออกส่องตามคำสั่งจากเลนย่นระยะซึ่งแลผ่านชะงอนเขาเบื้องหน้าลึกเข้าไปในภูมิหลังเขาไม่เห็นอะไรมากไปกว่าเส้นหยักของทิวสูงทะยานเยี่ยมเมฆห่างไกลออกไปลิบลับมันมีจุดน่าสนใจอันใดสำหรับเชษฐถาในขณะนี้ก็ทิวเขานั่นแหละแล้วยังไงอ่ะชยันโพร่งออกมามองไม่เห็นความคิดอ่านใดๆจากเชิฐาเช่นกันใช่ทิวเขา เทือเขาที่ใหญ่โตกว่าสูงกว่าบริเวณที่เราแลเห็นเป็นรูปตัวครุตซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหน้าแต่ขอให้สังเกตให้ดีมียอดสูงอยู่สองยอดขั้นกลางด้วยแนวเว้าวต่ําลงเป็นรูปหยกักเหมือนใครเอากรวยฝาชีสองใบมาวางไว้เคียงกันในแนวขนานเห็นหรือเปล่าเห็นกับพี่ใหญ่ทุกคนยอมรับอีกครั้งเพราะความจริงมันก็มองเห็นชัดอยู่ในลักษณะนั้น ระพินไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นในขณะ น, นี้นอกจากจะคอยเงี่ยหูฟังทีนี้หันมาดูชะ ง, ง่อนเขาข้างหน้านอีกครั้งดูสิวัดตรงตำแหน่งที่เรายืนกันอยู่นี่ชะ ง, งอนเขาส่วนที่ใกล้กว่าอยู่ในระดับไหนทามุมสันฐานยังไงกระเทือกเขาด้านหลังอันเป็นรูปสองยอดหนอดกึ่งกลางในระหว่างช่องเข้าเชื่อมต่อ ของยอดทิวด้านหลังพอดีชายันบอกเสียงหนักๆแล้วมองหน้าเชษฐาท่านหัวหน้าคณะยิ้มออกมานิดหนึง่งแลไปทางระพินคุณและผู้กองเห็นอย่างชายันว่าไหมครับเขาตอบสั้นๆเขาสูงสองยอดเปรียบเสมือนหลักสองต้นมีชะก้อนส่วนหนึ่งของเขาเบื้องหน้าเราซึ่งต่ําลงมา ประดิษฐานอยุดใจกลางระหว่างคู่ขนาดพอดีพูดอีกทีนึงว่าจะงอยปากครุดจะต้องอยู่ในระหว่างสองยอดเบื้องหลังในมุมอันถูกต้องใช่ไหมไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใดก็ตามถ้าเรายังมองเห็นทิวสูงด้านหลังในลักษณะที่เราเห็นอยู่นี่ก็แปลว่าจะงอยปากครุดจะต้องอยู่ในส่วนกึ่งกลางเสมอไปแม้ว่าจะมีอะไรมาบางัง ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นภูเขาลูกที่ต่ำกว่าลงไปก็ตามแต่ลูกที่สูงกว่าก็จะต้องยืนอยู่เป็นหลักให้ใช้สังเกตได้กระพินพยายามใช้ความคิดอย่างเต็มที่บอกกับตนเองว่าพอจะมองเห็นอะไรได้รังๆเหมือนกันแต่ยังสับสนอยู่ช ย, ยันร้องว่าเอ๊ะเอเอ๊ชักเข้าข้าวนี่แต่แนะอธิบายชัดกว่านี้สิเชิดถา ถ้าทุกคนยอมรับทฤษฎีของเรขาคณิตที่ฉันพูดให้ฟังมาตามลำดับแล้วนี่นะเราจะไม่สนใจกระช ง, งอนเขาอันเป็นรูปจางงอยปากนกอีกต่อไปละเพราะมันเป็นเขาลูกที่เตี้ยกว่าและสันฐานก็อาจเปลี่ยนแปลงผิดรูปไปได้ง่ายหากผิด ม, มุมผิดทิศทางแม้แต่นิดเดียวแต่เราจะยึดเอาภูเขาสูงด้านหลังที่เป็นยอดกรวยฟ้าชีสองลูกนั่นเป็นหลักแทนการจะขีดเส้นทางเดินโดยใช้เข็มทิศจับประกอบ อาจไม่ได้ผลถ้าเราใช้เขารูปครุดเป็นหลักแต่มันจะผิดความจริงไปไม่ได้เป็นอันขาดถ้าใช้เทือกสูงด้านหลังแทนโดยที่มีที่หมายส่วนปลีกย่อยอื่นๆเป็นเครื่องบังคับเชื่อมโยงอยู่ด้วยเราจะทําแผนที่เส้นทางเดินตั้งแต่ตําแหน่งที่เราหยุดกันอยู่นี่โดยซ้อนทับลงไปบนลายแทงเดิมนี่สเก็ตทิวเขาด้านหลังและเขาครุดข้างหน้าของเรานี่ไว้เป็นหลักด้วย เพื่อการตรวจสอบในเส้นทางข้างหน้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ตามแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นจะงอยปากนกเพราะมีเนินเขาอื่นๆตามเส้นทางที่ผ่านไปบงังเราก็ยังมองเห็นทิวสูงเบื้องหลังเป็นเครื่องหมายสังเกตได้อยู่และแม้ว่าทัศนวิสัยจะเลวมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็จะเดินไปตามเส้นทางที่ขีดไว้แล้วนี่ในเมื่อทิศทางมันบังคับอยู่ถึงยังไงซะ เราก็ไม่มีวันที่จะเบนออกนอกทางไปได้แน่นอนตรงข้ามเราอาจประหยัดเวลาโดยวิธีตัดเป็นเส้นตรงแน่นอนกว่าจะคอยหันมาสังเกตดูเขาครุดซะด้วยซ้ําและในวาระสุดท้ายเราก็จะต้องแลเห็นเขารูปครุดอยู่ตามเดิมจนได้ไม่ที่ใดก็ที่หนึง่งจากเส้นที่ขีดไว้ตายตัวนี่สมมุตินะสมมุติว่าจุดกอเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้ มองเป็นเขาครุดและเขากรวย้าชีขนาดเป็นเสาหลักอยู่ด้านหลังสองด้านจุดขอคอและงออาจมองไม่เห็นเขาครุดอีกแล้วแต่จุดหออันเป็นเนินพระจันทร์จะยังไงซสเราก็จะต้องมองเห็นเขาลูกครุดและเทือกกรวยฝาชีในลักษณะอย่างเดียวกับที่เราเห็นในจุดกอซึ่งวิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเดินไปสามสี่เก้า ก็ต้องเลี้ยวกลับมามองเสทีเท่าๆกับแก้ปัญหาเรื่องทัศนวิสัยเลวด้วยอืมน่าคิดน่าคิดชยันครางตาลุกแต่บางทีก็อาจลืมไป่สยอย่างก็ได้นะเชิถาทิวเขาเบื้องหลังที่เห็นเป็นรูปกลวยฝาชีนั่นเป็นทิวสูงมากและอยู่ห่างไกลออกไปแทบสุดขอบฟ้าถึงแม้เราจะเดินผิดทิศทางยังไงออกไป เราก็จะต้องมองเห็นรูปกรวยฝาชีคู่กันสองอันอยู่นั่นแหละห่างกันในรัศมีตั้งสิบกิโลเมตรไม่ว่าจะอยู่จุดไหนมันก็เห็นเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาครุตมันจะต้องอยู่ในระหว่างกึ่งกลางพอดีเหมือนเช่นที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็ฉันบอกแล้วไงว่าให้กาหนดส่วนปริย่อยของทิวด้านหลังเขาไว้ด้วยถ้ามันผิดเส้นทางอันควรจะเป็นไป แม่ยอดกรวยฝาชีอันเป็นยอดประธานสองยอดนั่นจะมองเห็นอยู่ในสันฐานเดิมแต่ทิวบริเวณบริวารก็จะต้องเปลี่ยนยืนยันให้เรารู้ได้ทันทีว่าเราผิดทางแล้วแต่ถ้าทิวบริเวณข้างเคียงรอบด้านยังอยู่ในสภาพเดิมมันก็บังคับตายตัวทางนี้ต้องประกอบกับการตั้งทิศ ท, ทางเสียจากจุดเริ่มต้นที่นี่ก่อนด้วยเราเอาชะงอนเขารูปจังไยปากนกเป็นแนวตั้งทิศไม่ได้ เพราะไม่มีหลักส่วนใหญ่ให้ยึดถือตรวจสอบแต่เราสามารถเอาทิวเขาสูงเบื้องหลังเป็นเก์ได้แล้วผู้กองลราจะว่าไงชั ย, ยันหันไปถามดพินไทรวันอานปลุก่อนที่จะต้องให้เชษฐาอธิบายอะไรมากเสด้วยซ้ำแววแ่งความหวังอันแจ็มใสฉา ย, ช, ายชัดในดวงตาคุณชั ย, ยันมาช่วยผมขีดเส้นในแผนที่นีดีกว่าครับ เราจะต้องปรึกษากันให้ทีท่วนในด้านวางเข็มทิศด้วยละครับแล้วว่าคุณเห็นด้วยกับเชิถ่ายใช่ไหมอย่าแย้งโงโงๆโเสียเวลาต่อไปเลยนะชัยันเมียแหม่มของเขาเอามือขยี้ที่ศีรษะเบาๆตอบแทนระพินมาฉันนะคิวอีดีในเหตุผลตามที่พี่ใหญ่พูดไปตั้งนานแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของคุณกับไพรวันที่จะขีดเส้นเท่านั้นแหละจะขีดให้ผิดก็แล้วกันนายามอับจนก็จริงๆ่ะ จะต้องใช้ปัญญาเข้าขบคิดฉันก็ไม่เห็นว่าคุณเองแง่สายหรือต่อให้ไพรวันจะปาดปรึงได้แค่ไหนสู่พี่ชายใหญ่ของเราก็ไม่ดัดประโยคหลังหล่อนกล่าวออกมาจากใจจริงมองไปยังท่านหัวหน้าคณะอย่างคาราวะยำเกรงและศรัทธาเต็มที่แล้วก็หันไปถามยิ้มยิ้มกับประพิน์และแง่สายว่าใช่ไหมแง่สายยิ้มยิ้มพา่านใหญ่ตอบเรียบเรียบว่า ครับหัวหน้าก็ควรจะต้องฉลาดเฉียบแหลมกว่าลูกน้อเป็นธรรมดาล้วครับสําหรับผมเองภูมิใจในเจ้านายของผมคนนี้มานานแล้วล่ะครับแล้วเจ้านายคนนี้อีกคนนึ่งล่ะไม่ภูมิใจบ้างเหรอนึกยังไงไม่ทราบดารินชี้ที่อกตัวเองถามมาหนักใจครับมักคุเทศผู้นําทั้งทางมหาวิบาศนและนําอยู่กลางดวงใจของหล่อนตอบอย่างสงบเส ง, เงี่อย แล้วมวนหารือในด้านการกำหนดทิศขีดเส้นทางเดินอยู่ในแผนที่กับชัยันสองคนชั่วไม่นานเส้นทางเดินก็ถูกกำหนดได้เป็นเหลาๆซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบหารือกันอีกเป็นระยะระยะไปจอมพลนบอกให้คณะนายจ้างของเขาทราบว่าโดยเส้นทางที่ทำขึ้นจากการแนะนำของเชตฐานี้ มันย่อหมายถึงการเดินกันอย่างไม่จำเป็นต้องมัวคอยพวงสังเกตภูเขาครุฑด้านหลังอยู่และอาจเป็นเส้นทางลัดกว่าที่เจ้าของลายแทงได้เคยเดินไว้ก่อนแล้วมีบางโอกาสจะบางภูมิประเทศเท่านั้นที่เราจะหันกลับมามองเห็นเขาครุฑข้างหลังไม่ใช่เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ลายแทงกำหนดไว้ให้เขาซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกคนทราบล่วงหน้าเสียงหลือเกินนะเนี่ย ชัยยันอดแสดงความกลิ่งเกรงไม่ได้แต่เราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นที่เสียงน้อยกว่านี้ไม่ใช่เหรอก็ไปรู้เอาเส้นทางข้างหน้านั่นแหละไปหน้าเดินฮะรู้งี้นอนอยู่บ้านดีกว่าดารินสกิดไหลเอียงหน้าเข้ามากระซิบนี่พอจะประคุณเลยท่านนอนอยู่บ้านจ้างก็ไม่ได้เมีสยสวยอย่างนี้หรอกโชคจะได้เมีย เพราะการเดินทางรู้ไหมป้ายชยันปากมา้าชยันสะดุ้งโยง